เจริญพรยันโยมนชาวทีวันทีทุกทางร้อยด้านไล่ น, นั่งสบายัำสมาธิหลับตาภ า, า, า, าวนาดูลำไม้ใจเข้าออกเราปรับตามทำ ง, งานกันมาเยอะแล้วอยากหาอะไรที่ช่วยทางใจหาธรรมะ ดีขึ้นหาที่ให้ความสุขแก่ใจเราเจองานเจอประสาทเจอปัญหามากๆจิตตกใจตกเหนื่อยล้าสับสนวุ่นวายเศร้าหมองก็จิตตกจากงานก็เลยหาวิธีอยากชำรกจิตที่มันเศร้าหมองที่มันสับสนโผลให้มันดีขึ้น เกิดอาทีพึ่งอาศัยธรรมแะแคกุบาอาจารย์ที่มาอบรมประเทศใหเราฟังเึ็สาวาทที่เราประับ ก, กันอยู่เป็นประจำนานมาแล้วหลายปีแต่ว่าเคยมั่งใจว่า อ, อยู่กับหลปู่เคยมาก็ถือว่าชาวทีวทีเป็นผู้ที่โชคดีได้พบกูบาอาจารย์พบหลักธรรมคำสอนแต่ความเป็นจริงแล้วกุูาอาจารย์มักจะเปรียบเทียบไว้ว่า เกินมาเป็นคนแนสนยากเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาก็แสยยนยากอีกแต่เมื่อกี้บอกว่าชาตพุทธีโดทีโชคดีมากเลยได้พบพุทธศาสนาทุทก ว, วันแต่พรูบาาจารท่านสอนอีกแนวนึงต้อบอกมากกว่าจะได้พบพระพุทธศาสาศนาแสานยากนะยากมากเลยเราก็แย่งในใจยากตรงไหน วันนี้ก็พบอแล้วนี่วันก่อนก็พ่อเดิ ม, มาเป็นเด็กก็พก็เจอศาสนาอยู่เจอพระอยู่ลองคิดให้ละเอียให้ลึกซึ้งไปว่าเปรียบเทียบกับคนในโลกนี้มีคนนับถือพุทธศาสนาสักกี่คนในโลกนี้วาจันจึงเปรียบตรงนี้ว่า ผู้ที่มาพบพระพุทธศาสนาพบธรรมะคําสอนของพระพุทธองค์พบพระสุปฏิปโนปฏิปัดีปฏิบัติชอบแล้วพาเราประพฤปฏิบัติถือว่าเราโชคดีแต่ว่าคนอีกกี่ร้อยล้านคนทั้งโลกอันนี้ไม่ได้พบเลยไม่ได้เจอเลยไม่รู้จักมระพุทธเจ้าอลไร แต่จะรู้เรื่องอะไรภัพสูบเป็นเป็นโ น, นเป็นอย่างนั้ไม่รู้เรื่องเลยถ้าท่านมาเปลี่ยนตรงนี้จึงบอกนะว่าผู้ที่มาพบพุทธศาสนาแล้วช่วงดีแล้วแต่อีคนอีกนักไม่ทวนนักไม่ได้พบยากมากเลยเพราะมองไม่เห็นคุณงามความดีจึงไม่เจอสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นอีกท่านบอกล่าไว้ว่า ได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็น ม, มนุษย์กระแสจะยากกวายานท่านสอนพ่อแม่ควรยาน้า น, น, นกล่าวไว้เกิดมาเป็นมนุษย์แสยา ก, กเราพยายามกระจอี ก, กอเป็นยากตนไหนไปดูโรงพยาบาลเต่นวันมันเกิด น, นักเป็นนาทีนักเป็นวินาทีเกิดไปด้ว้กี่คนก็เกิดมาเป็นคนก็เกิดมาเป็นมารดยเกิดมาแค่ทับไปได้เลย หนึ่งโรงพาบแล้วในประเทศกี่โรงพยาบาเกิดม า, านาทีนป็กี่โคนชั่วโม ง, งกี่คนอย่าเราคิดตรงนี้เพราะเราคิดใกล้เราไมได้คิดละเอียดเมือันครูบาอาจารย์ท่านแม่ท่าสอนไว้ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าที่เกิดมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์ที่นั่งภาวนาอยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่นี่ก็ตา เปรียบเทียบกับที่ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงช้างเรียบกันไม่ได้เลยไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยมากมายแทบนับตัวไม่ได้เรียกว่าไปนับเป็นล้านเลยนับไม่ได้เลยแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนยังนับได้ประเทศหนึ่งกี่คนสองประเทศสามนับ ก, กี่ล้านคนนับได้เปรียบเทียบ ก, กับสัตว์ปลา เกิดทีนําไปทวนสัตว์เกิดอะอีกนําไปทวนท่านจึงเปรียวว่าที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วดีแล้วเพราะมนุษย์หรือคนกับสัตว์มีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกั น, กนเหมือนกันคือรูปร่างกายเหมือนกันก็คือประกอบด้วยท่าทั้งสี่ในหลักธรมบตร สัตว์ก็มีธาตุทั้งสนะมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุไฟมีธาตุลมคนเราคนรักมืนกันก็มีธาตุทั้งสครัออกไปชุวรางกลขึ้นมาธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมมีขันธ์ห้าเหมือนกันสัตวแฉันก็มีนะขันธห้ามีรูปที่สีประบอกเห็นจากเท่าสัมผัสเลยเห็นกระโดด มีเวตนาความรู้สึกสัตว์ก็มีนะตีมตันมันก็ร้องเลยนันแหละความเจยบความปวดไปเรื่อยๆเรสัญญาความจำนีสังขารนึกคิดคุงแต่งมีวิญญาณความรู้มีนีสิ่งที่ถือว่การละวางดีละชานคือชั้นต่ำกับคนสูงขึ้นมาหรือมนุษย์สูงขึ้นไป แต่คนหรือมนุษย์ได้เปรียบสัตว์เดรัจฉานตรงที่มีสติมากกว่ามีปัญญามากกว่ามีจิตใจที่แยกแยะนึกคิดนักหยอ่อนได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำจิตใจเขาคิดได้น้อยแยกแยะได้น้อย จึงมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะปัญญาน้อยสติน้อยกัดกันทะเลาะกันแต่มนุสสติดีกว่าปัญญาดีกว่าหรือจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดที่มากกว่าสัตว์เรัจฉานนั้นเองจึงสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนดีทำอันไหนชั่วบา ไม่ทนำะอันไหนรักษาจิตใจภ า, าวนาได้ทำนั่งดูลมหายใจเข้าออรู้าำลมนั้นทำแต่ซับเฉยช้เขาทำไม่ได้นะพวกเราที่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่ทำได้จึงสามารถรักษาจิตใจของเราให้สูงไปได้อย่างที่บอกดีนะชา้าแต่ว่าต่าจิตใจเขาก็ต่าด้วย แขแง่งแย่งขัดกันทะเลาะกันสูงขึ้นมาเป็นคนจิตใจก็สูงขึ้นมานิดนึงแต่ยังมีกิเลสจิตใจก็ยังไม่บริสุทธิ์ไม่โปร่งใสเต็ดไปด้วยความโลภความหึงความหลงอยู่เหมือนกันแต่ยังดีที่มันยังสามารถมีสติที่จะเข้าไปแยกแยก คิดชอบชั่วดีมีประโยชน์หรื อ, อไรประโยชน์สูงกว่าน้ำเป็นมนุษย์คนกับมนุษย์ภ า, าษาสลานกันแล้วความหมายที่ละเอียดไปมากมันก็ตามกันดีระหว่างคนกับมนุษย์มนุษย์มักโ ด, กโดผู้มีจิตใจสูงจิตใจดีเขาเป็นมนดษถ้าเทียบอย่างง่ายง่ายคนรักษาแค่สินทา มิ่ากข้แต่มันน้มีสิปขอ้อมีจิตใจที่สูงขึ้นเพราะมั่นโนเพราะเอาใจนั่นแหละไปปฏิบัติธรรมรักษาศิ่ภาวนาจึงสามารถยกเอาจิตใจที่เลิกคิดปรุงแต่งโครสร้างนนะั้นไปคิดแต่สิ่งที่ดีและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีจิตใจที่งสูงขึ้นยกความ จิตใจให้เหนือกว่าคนเขาไปอีกสูงขึ้นกว่านั้นนี้ อ, อัจฉรผู้ประเสริผู้ปฏิบัติปฏิบัิบัติชอบสามารถยกเอาจิตใจที่ตกถังสูงขึ้นไปอีกทันทงเปลี่ยนเดียวเลยว่าจิตประพัดสอนจิตนามเหมือนกับจิตของเด็ก อีกคนหนึ่งมีกิเลสไหมมีแต่นอนหรือกิเลสมันนอนก้นมันกับน้ำที่มันนิ่งตะกอนมันตกมันจมแต่ตะกอนยังมีอยู่นะไปนอนก้นอยู่มีโอกาสที่จะฟุ้งมีโอกาสที่เกิดมาได้เมื่อมีสิ่งที่มันกระคดเหมือนกับอีกคนเราก่เลสมันก็นอนก้นตกตะกอนอยู่ เพราะเรายังไม่สามารถกำจัดหรือตัดหรือลักเลสออกไปบั็เลยนตอนก้มอยู่ที่มีอะไรไปกระทบไปเคี่ยวเล็ดตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาน้ำที่ใสก็เป็นน้ำที่คุนใช้บริโภคกุมภคก็ไม่ได้เปรียบเตียงแบบนี้ แต่จิตใจของม น, นุษย์มีเครื่องกองกองน้ำแยกแยะดคัดสแต่เครื่องกองยังไม่ดีอคอกีเลสลับเอียร์อันน่ากลัวมันก็ยังลอยอยู่ไตตอปตกตะกอนอย่าเดิมเพราะเครื่องกองไม่ดีแต่กิเยกอันยา นพื้นฐานโลภะโทสะโมหะมีเครื่องกรองคับสันแยกออกไปจึงได้กิเลสลเหตุก็ตกเหมือนเดิมคือจิตของมนุษย์แป่จิตใจของพระอริยหรือคู่ประสเิศแล้วท่านมีเครื่องกรองที่ดีแล้ว สามารถกลองได้ทั้งกิเลสที่ยากกลองได้ทั้งกิเลสที่ระเียดออกพิ้งไปไม่เก็บไว้นะอมารยะไม่ให้นอนควงด้วยสะระลักตักกิเลสเล่านั้นออกไปลักไ ด, ขด้ขนาดนั้นขณาดไหนได้ลักได้ถึงปรรลุพระอริยธรรมระดัะบชั้น พอเครื่องกรองของขั้นดีจึงสามารถกรองเอากิเลสความไปดีทั้งหลายทิ้ไปอะไรทั้งเรื่องกรองสติเป็นเครื่องกรองสมาธิเป็นเครื่องกรองปัญญาเครื่องกรองครื่องรองทางโลกสนนาสมมติเป็นน า, ามธรรมเป็นรูปธรรมธรรมดเฉย แต่เครื่องกรองในหลักธรรมคือสติคือปัญญายคือสมาธิที่นาไปกรองครับสรรแยกแยะออกเมื่อท่นานทำได้สามารถกรองกิเลสที่มันอยากออกทิ้งได้สามารถกรองกิเลสที่มันละเกียดออกทิ้งได้ จิตใจจึงสูงส่งบรรลุภาระยักได้ลำดับสัมโยชน์กิเลสกิเลสที่มาละเอียดเครื่องโทุเครื่องมัดเครื่องยึดแทนที่จะไปได้ไปไม่ได้เพราะถูกสัมโยชน์กิเลสละเอียดยึดเหนี่ยวอยู่แต่รมปฏิบัติภาระยัฝึก เพื่อจะละเพื่อจะตัดสัมโย์หรือกิเลสที่มาเบียดไม่ได้ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าตราบใดที่คนเรายังมีการฝึกหัดปฏิบัติอย่างเค้่งครัดตามรักธรรมวินัยแล้วตราบนั้นก็ยังไม่สึ้นพระอริยหมายความว่า ปุตตุชนขเรานี่แหละท่านที่รักษาสิ่งห้านี่ยังสามารถปฏิบัติธรรมะอย่างเพ่งครับต้องใจว่าเพ่งครับเลยนะเอาจริงเอาจริงนะก็ยังสามารถเข้าถึงมักถึงคนถึงนิพพานไนดะ้ยังสามารถเข้าสู่ภูมิพระอริยไดนะ้คำว่าพระอริยเราตัวผู้ประเสริฐไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวนะ คาววาสินห้าเข้าสู่ได้ภูมิชั้นที่หนึง่งเปรียบเทียบกับพุทธกาลเบีย อ, ยอ์แยะแต่พอมาถึงยุค ป, ปัจจุบันคนเรานี้ยากขึินทำได้น้อยขึ้นรอ้อสิ่งภายนอกสภาวะแวดล้อที่อยู่ภายนอ ก, ส, นอกสิ่งที่มันมกระทบมันมากสิ่งยั่วยวนมันมาก ยื่เข้าถึงนักผลนิพพานได้ยากหรือช้าทางบริการภาวะแวดล้องสิ่งย้ายวยั่วยวนไม่มีหรือมีน้อยมากหากท่านเดินผู้ตวงตาปตาเขาปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองตาผัดสาเห็นหมูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลด แทนที่จะรักษาจิตใจประกอประองใจเพื่อจะละจะดับมันก็ลุกไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละสภาวะทั้งไปจึงยากขึ้นแต่คำว่ายากก็ไม่เหลือวิสัยนะท่านอยา่าไปกักวพอคู่เรา่อมันยากนะก็เลยไม่ทำก็เลยเลยิกก็เลยุดเอาเสวะว่าดท่าขณาดท่น า, านกำลังท า, าอยู่ตรงนี้ ปัิบัติอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิภาวนาหนึบตาอยู่ตรงนี้เราก็ยังได้แค่นี้อยู่แล้วพอไปเกิด ค, ความทอ้อถอยบอกว่าทำแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่ก็เลยหยุดนั้นผมไม่เอาอั้นผมไม่เอาแล้วมันจะได้อะไรข้างหนําลังทําปฏิบัติในเบื้องใ้แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราทำเนี่ยอย่าไปโทษ ต้องสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิของเราให้มากขึ้นให้มันต่อเนื่นองย้ายมนขาดช่วงถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องไม่ลดละแม้สักห้านาทีหรือมากเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ทําเลยถ้าลองมันนึกคิดง่ายๆครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ปปหลวงปู่แหวกก็ตามหลวง ป, ปู่ขาวก็ตามเริ่มต้น จะเข้าเรื่อมปฏิบัติท่านก็ล้มลุกคุกคางผูกบ้างผิดบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ต่างจากพวกเราเริ่มต้นมันไปต่างกันตรงที่ขันติธรรมของท่านมากความเพียรของท่านมากท่านจึงเข้าถึงได้แล้วแต่เราขันติธรรมยังน้อยอยู่คือความอดทนต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบมันน้อย สู้ไม่ได้ถอยวิริยะความเพียนขยันทำน้อยบอกว่าทำไม่ได้แล้วถอยสุดท้ายันก็นเลยไม่ได้อะไรเราจงตั้งสติของเราขึ้นมาใหม่ว่าแม้ว่าวันนี้เราทําได้เพียงเท่านี้แต่วันหน้าเราต้องทําเพิ่มทําต่อเพื่ออยากยกจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นยกจิตใจที่มันตาม ให้เป็นจิตใจสูงเป็นจิตใจของมนุษย์คือผู้มีคุณธรรมชั้นสูงขึ้นมนุษย์มีคุณธรรมมีพระนิหารมีเมตตาสงสารมีการุณาอย่างให้คนทุกข์มีมุกทิฏฐาให้ยินดีว่าเขาได้ดีและมีอุเบกขาให้ปล่อยวางนั่นคือมนุษย์ แต่คำต่อเนื่องกันไปยกให้สูงขึ้นอีกเข้าสู่อริยบุคคลละกิเลนละสัโยนดอันละเอียดได้ตามลำดับอย่างที่บอกว่าคำพุทธการผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบนั่งดูลงองายใจเข้าออกจนสามัญบรรลุอัปโศนาบรรพุทธการเช่นนางวิสาขาเป็นต้น เข้าถึงพระระยะห ก, กคนชั้นที่หนึ่งได้เพราะปฏิบัติดีรักษาศีลดีสติปัญญาดีรักกิเลสสามข้อคือสัโยนดอันต้องได้คือสั ก, กายยทิฏฐิลางได้ความเห็นว่ารูปร่างกายเนของเราถ้าสุนัรภมองเห็น ว่ารูปร่างกายไม่ใช่ของของเราแต่คนทั่วไปมองเห็นหมดเลยลรูปร่างกายก็เป็นของฉันเนี่ยรูปร่างกายก็เป็นของผมแสดง ว, ว่ายังไม่เข้าสู่กระแสคือไม่เข้าสู่กระแสวิทยาศาสคือยังไม่เข้าสูเ่เขตข่ายของพระโสดาบันเลยแต่พระโสดาบันท่านมองเห็นว่ารูปร่างกายไม่ใช่ของของเรา เป็นสัตว์แต่เพียงทาตทั้งสีมาประกอบประชุมกันเข้าและมีขันทั้งห้ามารวมกันเข้าเลยตายเป็นรูปรน้า ก, กายท่านเห็นตรงนี้ท่านไกปล่อยวางวางเฉญไม่ยินดีกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ยินร้ายกับสิ่งที่ร้ายเกิดขึ้นเพราะมองเห็นแล้วว่ารูปร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราของไม่ใช่ของอ ข, ของเราเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อย เ, เขาไปเมื่อได้ตรงนี้แล้วทำลายวิริตกิจฉาคือความลังเลสงสัยได้สงสัยในบุญสงสัยในบาสงสัยในสมาธินั่งไปตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าสที่ไม่มี นั่งมาสองปีแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรเลยแสดงว่าสมาธิไม่ดีนี่ยังสงสัยอยู่เมื่อสงสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าถายพระโสดาบันเลยแต่พระโสดาบันท่านไม่มีความสงสัยในเรื่องเหล่านี้ละตัดวิจิกิจชาได้ทิ้งไปหมดเลยมั่นใจศรัทธาตั้งมั่นแน่นอนว่าที่เรานั่งสมาธินี้มีความดี บุญย่อมเกิดขึ้นความดีย่อมเกิดขึ้นสมาธิย่อมเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแม้วันนี้สมาธิยังไม่สงบยังไม่ตั้งันวันมากท่าน้องสมาธิมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยเข้าข่ายของพระโสดาบันแล้วไม่สงสัยบุญมีจริงอย่างแน่นอนบาปมีจริงอย่างแน่นอนลูกมีจริงสําหรมีจริงอย่างแน่นอนส่วนบุญวัลพ่าย่อมชาระกิเใจ้อมใสได้อย่างแน่นอน บางค น, น, ง น, ง น, งนงส่วนมอยสวดนึกแต่สวนไปกบไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนก็คำเดิมส่วนก็คำเก่าอย่างนี้ก็หาโอกาส เ, เข้าสู่ทางสวดได้ยากความลังเลสงสัยในบนในบาปในอารมณ์ในสมองไม่มีสหรัภูมิสวาฟันนอกจากนั้นทัานก่อนละสีลพัตตระมาลูกคำ พระโสดาบันผู้เป็นพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งไม่รู่ไป่คำนะจับแม่นเลยเอาจริงเอาจังในสินที่มีรักษาสินเพื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อการปฏิบัติให้เกิดสมาธิภาวนาไมาได้ต้องการรักษาสินเพื่อเป็นผู้วีแสเอาจริงเอาจริง ยอมสลับชีวิตเพื่อรักษาสิ่งของเราให้บริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวไว้อยู่แล้วว่าสิ่งสมาธิปัญญามาด้วยกันทั้งหมดลสิดีเท่าไรบริสุทธิ์เท่าไรสมาธิเกิดเลยเท่นะานั้นสมาธิดีเท่าไรสามาธิตั้งมันม่นเท่าไรปัญญาเกิดดีเท่นนะั้นเมื่อพระโสดาบันทัง ท่านลกสีระพัตตป ร, ตปรมาทได้ไม่รู้ไม่ําเอาจริงเราจังรักษาเสร็เพื่อความ บ, บริสุทธิ์ผุดทองป้องกันสิ่งที่จะมากระทบป้องกันสิ่งที่จะมาทําร้ายได้สมาธิของท่านตั้งมั่นได้เร็วปัญญาท่านตั้งมั่นได้แล้วรักกิเลสลักสังโยชน์ได้สาพ่อธรามระดับแล้วท่านบอกว่าเข้าสู่กลัแสของพระ น, นิพพาน บอกว่าเราเขาสามารถเข้าได้นะถ้าเอาจิงอาจังนะปฏิบัติอย่า ง, นะยงไม่ลดลกอย่างม่หยุดยัน้นะถึงจะเข้าสูก่กระแสของพระพานคือปรรลุพระโสดาบันพระอริยปุถุชนชั้นที่หนึ่งได้แต่ไม่หย่อดขอทำต่ออีกเมื่อสามารถกาจัดกิเลนทั้งสามข้อได้กำจัดหรือละ มรรคาติดในใากำจัดปฏิคับความกระทบกัระแากใจให้เบาบางลงกําจัดยังไม่ละเอียดพอได้สองวัแต่สามารถกำจัดหรือลักการมรรคาติดใจในความตามความอยากความเป็นอยากเป็นอยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมี รุนเป็นคำทิ้เลยทำให้าบาวางได้ปติคับความกระทบกระทันใจใครมาด่าว่าใครโอ้มาร่าฉันทำไมไม่พอใจเพราะสิ่งที่มากระทบโกรดเปรียดเทียบแทนชิมชังอาฆาตยาบาทเพราะสิ่งที่มากระทบใจทางใจยอมรับไม่ได้ แต่ภาคอริยบุคคลชั้นที่สองคือภาคสัพพทาคาเมระกิเลตต้นทั้งสามข้อคือลักษักายะเทลักษิติกิจจลักษิตาสีรกั ต, ตประมาธรรมการมาลาคภธรรมปฏิฆาใหเบ า, า, า, า, า, หาบางลงแทนธรรมราคโทตโมหเบาบางลงไปอีก ข้าสูงภูมิภาริย์ชั้นที่สองคือภาคสัตตะขาสูงขึ้นยากขึ้นแต่ท่านทำได้เพราะความเทียนคือวินัยรอดขันติคือความอดทนต่อสู้ปฏิบัติปกติเหล่านั้นไี่ข้อถอยนะจะยากขนาดไหนะจะลำมาขนาดก็ไม่ยอมยกตัวยอย่า ง, งคำพุทธกาลเนี่ย ชาติที่พระเจ้าเสวยชาติเป็นมนุษย์ได้ยินว่าพระเจ้าองค์หนแสดงธรรมเทศอยู่อีกเมื่อเป็นกแสนไกลไม่ยอดห อ, อน่ะไปในฟังเทศิเดินไ ป, เ ด, นไปเดินในไวท้าแตคขามไปขานไม่ได้มือแตกหัวเข่าแตกนอนปิ้งไปทาได้ขนาดไหนวีดียะอยู่ในน้ำขันต็มอยู่ในน้ำ อดทนต่อสู้เพราะอยากได้ความดีเ <c oughs> พราะอยากได้ความดีเพราะอยากได้สัจธรรมจึงไปจึงบาบันจึงภาพเพียงจึงอดทนเหมือนบบดังประลิยว่าต้องต้องต้องได้ว่าขันตีปรมัตตโพติติขาความอดทนเป็นตบะเครื่องแผดเผาความอดทนเนะี่ย เปน็นเครื่องแพร่เผากเกลียดันดียิ่งไม่มีนะความอดทนเลยนะความอดทนเป็นเครื่องแผ่เผาเป็นตะบะเผากเกลียดันดียิ่งถ้าไม่พอขออย่างนี้ก็สามารถยกจิตใจที่มันต่ําให้สูงขึ้นมาเอกเป็นพระ ก, กับทาคามีบุกคลแต่ถ้ารับ ได้ทั้ง5้าข้อคือและสัมยน์ได้สักกายทิทิฏฐิความเห็นว่ารูปร่างกายเป็นของเราได้ละวิจิจิชาความลังเลสงสัยได้ละสิรพัตตประมาทได้ขาดละกาบรบลาทัได้ขาดละปฏิกับความกระทบกันทัท่งจิตใจได้ขาดสำเร็จเป็นพระอัยบุคลภาพ อ, ญญา น, าพอนาคามี สูงขึ้นมานี้ไม่มาเกิดด้วยเพราะนามาน า, น, า, น, า, น, านี้แม่เกิดแล้วนะสูงขึ้นนะจิตใจทั้งสองขึ้นข้อครักรีบแต่จิตใจยังต่ําอยู่ยังละเกลียไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าสู่ภูมิพาลียะได้ตามลำดัสูงขึ้นขึ้นขนาดไหนสูงขึ้นละได้หมดทั้งสิทข้อคือรูปราคร ไม่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ชอบก็ชอบอยากได้อยาเป็นอยาก เ, เพีสิ่งที่รา้ายก็ปลักใสไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีเพราะรู ป, ปรคาคะก็ไปติดในสิ่งเหล่านั้นอักรู ป, ปรคาคะสิ่งที่ไม่ใช่รูปอักรูปชานสิ่งที่เป็นอารูปชาน พ่าไม่เห็นแต่เป็นติดโอ้นั่งสมาธิไปแล้วจใจมันกังวลปรากฏนั่นก็บรรยายเห็นติดแล้วชอบพอใจไปปูวัตถุบาญยานโอเคงขนาดนี้แล้วที่ไหนได้บุรุษยา น, นยั ง, ยงไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยติดในอัครูปรักข์ก็ไปไม่ได้มานะ ความถือตัวถือตนค่านี้เก่งค่านี้ใหญ่ค่านี้เลื่อยค่าประเสริกว่าใครถ้าเป็นป่นี้ก็ล่างไม่ได้อุดทัดจะฟุ้งซ้านปรงแต่งไม่หยุดยัง้งนั่งสมาธิหลับตาไปภาวนาพูดโตแแปบเดียวหลุดแล้วเปน็นเรื่องสิ่งลกถึงสิ่งที่ภายนอกแล้ว นึกถึงรดนึกถึงบ้านลดปุ้งแตงปุ่งส้างอาวิชชาความไม่รู้จริงปิดบังไว้หมดเลยแต่พระอริย บ, บุคคลชั้นที่สี่คือพระอรหันต์ละสัญ์ทต่กล่าวมาได้ครบหมดเลย จิตใจของพระอริยะพระอรหันจึงบริสุทธิ์อดพองปราศจากเครื่องเศร้าหมองเพราะท่านมีเครื่องกรองที่ว่าได้ดีแล้วคัดสันแยกแยกออกพิ้งได้ดีแล้วสังโยตั้งสิบข้อเครื่องคู่เครื่องรื้เครื่องเียาลับทิ้งไปหมดเลย เหลือแต่จิตใจตอนบริสุทธิ์ขุดของปราศจากกิเลสเครื่องช่องมองทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเลยเป็นพระอระิยอะุคคลชั้นพระอระหันต์แล้วก็เข้าสู่นิพพานถึงที่สดุดไี่แหละท่านทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับสาสีในบริสุทธิ์ มันทำสมาธิสมาทามภาวนาดูลอหายใจเข้าขออกบริกรรมพุโทโธหายใจเข้าขรร ม, มันจออกโธหรือไม่บริกรรมเลยตามรู้ลมหายใจหรือคำไหนก็ได้คือสมาธิคือตั้งมั่นอยู่แต่สิ่งนั้นสีนดีสมาธิเกิดเร็วเมื่อสมาธิได้นร่ราบนึ่งแล้วพ่อจกเข้าสู่วิปัส กรมัฏฐานคือการนึกคิดพิจารณาจอนเห็นตามสัจทําความเป็นจริงที่พระพุทธองค์สอนไว้ปัญญาเกิดอะไรเนี้ปัญญาที่เกิดจากตัววิปัสนากรรมัฐานเป็นปัญญาที่เลือดที่ประเสริสัมพัทธ์ละกิเลสตั้งหลายทาั้งหวดได้ สมาคาดูลงหายใจเข้าขออกหายใจเข้าพู้งหายใจออกทงสมาธิตั้งมัน่นควาสมสงบเกิดพิธีเกิด เ, เมื่อเกิดแล้วได้พลังได้ความสงบได้กำลังใจอยากปติบัติมากขึ้นอยากทำสมาธิภาวนามากขึ้นท่านจึงเรียกว่าเอาสมาธิที่เกิดจากสมถธิไปอบรม ัญญาเห็นผลจากที่นั่งภาวนาปฏิบัติมันนิง่งทิ่มันสงบถึงอัปปนาแน่ๆแล้วก็จุบเข้าสู่ปัสนาทุการระลึกเลิกพิจนาให้เห็นจนปัญญาเกิดแจมแจ้งตามสัจะรรมความสังสรของพระพุทธองค์ละกิเลสได้ตัเกียบได้แต่ตัวสมานอกจากละ กิเลสไม่ได้แทนจะไปเพิ่ม ก, กิเลสด้วยซ้ำไปสมสาทานเกิดอิทธิฤทธิ์ทำกุศลการดีเยอเกิดอิทธิฤทธ์แล้วขนฟองใส่จมูกก้าวอวกลับกลายเป็นตัวทํำร้ายสถิตกลับกลายเป็นตัวกิเลสเพิ่มไปสถิตโนโตโงหรือครูาอาจารย์สอนว่าเมื่อเข้าถึงสมาทางแล้วให้ยกเข้าสูงปรับธนาเลื่อ เจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปรับไปตัดเกล็ดให้ได้มากขึ้นเมื่อเจริญวิปัสนาปัญญาเกิดมากขึ้นแล้วเราก็อยากปฏิบัติมากขึ้นอยากทาสมาธิมากขึ้นเกยดกลายเป็นปัญญาไปอบรมสมาธิเราทำได้ดังนี้แล้วกิจใจของเราที่ว่าตามกิจใจองคน ชำระกิเลสกลายเป็นจิตใจที่สูงขึ้นคือเป็นจิตใจของมนุษย์คือมโนผู้มีจิตใจอันสูงไม่ยออ่อทอทั้งตอนเรื่องก่อมายิ่งชำระจิตใจสูงนี้เข้าสู่อริยะคือผู้ประเสริฐตามลัดตบท่านท่านจิงกลาไว้ว่าจิตใจที่มันต่ำเปรียนเหมือนกับผี เปรียบเทียวย่างีจิตใจที่มันต่ำเปลียบเหมือนกับผีเหมือนอกิจของสัตว์เดัจนอย่างที่ว่าเลยัดแย้งจิตใจของมนุษย์ก็สูงขึ้ น, น, นจิตใจที่ดีขึ้นจิตใจต่ำเหมือนีจิตใจดีเหมือนมนุษย์ก็สูงขึ้ น, นจิตใจที่ยุดเหมือนสมณะ หยุดอะไรหยุดโลภะหยุดโทสะหยุดโมหะเหมือนสมณะผู้สงบผู้เรียบร้อยคําว่าสมณะคือผู้สงบเรียบร้อยด้วยศีลลาเจริญนะสมณะผู้ใดหยุดได้โลภะหยุดได้โทสะหยุดได้โมหะหยุดได้ a, ไดเหมือนสมณะจิตใจละละเกิียดคือ อรหรันเราทำได้ตัวนี้แล้วโจคสภาพจิตต่าให้สูง ข, ขึ้ตามลำดังจิตใจต่งเปรียบเหมือนจำศีตใจดีเปรียบเหมือนมนุษย์จิตใจที่หยดุโกโกดโลภโกรธหลงเป็นเหมือนสมณาจิฏฐิใจละเปรียบเหมือนดังอรหรันและวก็เข้าสู่พระนิพพานตามลำดับ เพนันทํามเมื่อทําอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วนั่งดูลบหายใจของเราเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วยังมีโอกาสของท่านอยู่นะั้นอย่าเป็นเล็กน้อยเล็อต่ำใจว่าทํามานานแล้วผลหรือสิ่งที่ได้รับยังไม่เกิอดอะไรพระจ้าคตทำหกปีกว่าที่พระองค์จะมรู้และก่อนที่จะถึงหกปีนะั้นหารู้ไหมว่านับเป็นอา สองไข่นับชาไม่ได้นับปีไม่ได้นั่นคือการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นสิ่งที่เราทุกท่านควรกระทำบารมีคือความดีคือความสูงคืออันยิ่งที่เราจะปฏิบัติบ่อยๆทปบ่อยเมื่อทำบ่อยมากขึ้นแล้วบารมีต่างๆาก็จะสะสมจะเก็บจะเพิ่ม เป็นสะเปียงแม้ในชาตินี้ยังไม่เขาสูงว่าคนพิพันธ์ก็เก็บสะสมเบียงสเปียงเพื่อไปใช้ในชาติหน้าชาติหน้าการทำต่อเรื่องนี้นไปแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วก็อุดนหนุั้งจนแม้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไม่ถึงอายะอย่งยางน้อยที่สุดไม่เกิดตกต่ําเป็นติดลักฉ่าหรือสัตว์หรือ เกิดตกไปสูอ่อภัยคือสระต่างๆก็ยังถือว่าโชคดีเหมือนอับที่เา่าพูดนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาคนนั้นแสนยากไม่เกิดเป็นสัตว์เลร้ยฉานแล้วขาดทุนเสียอย่างเมียวสัตว์เลี้ยฉานความรู้สึกความนึกคิดจิตใจเขาต่าไม่เหมือนกับคนเราที่มีจิต ใจอันสูงที่มีเครื่องกองอันดีคือมีสติอันดีมีสมาธิอันดีมีปัญญาอันดีแล้วก็สามารถยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปถึงพระอริยได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่ง ท, ที่เรากระทำปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็ตามหรือจะกระทำตัวข้างหน้าปีหน้าก็ตามจงนึกคิด เสียว่าเมื่อเราทําแล้วอุปสรรค์มนันหรือสิ่งตับร้อนมันย่อมมีย่อมเกิดขึ้นเราต้องฟันฝ่าลึต่อสู้กับอุปสรรคหรือมานหรือสิ่งตับร้อนให้ได้สมาธิที่จะเกิดโถนิวรนเข้ามาตัดโถนิวรนเข้ามากั้น เราต้องฟันฝ่าต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเรายอมแพ้กับนิวรณ์ยอมแพ้กับสิ่งที่ขังกันแล้วจุดหมายปลายทางสมาธิมรผลนิพพานที่จะไปไปไม่ถึงนะเพราะเราแพ้เพราะเรายอมแต่เราไม่ยอมต้องฟันฝ่าต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นย่อมมีโอกาสถึงสักวันหนึ่งเพราะกูบาอยนี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าอุปสรรคหรื อ, าอามารต่อตามเหล่านั้น เป็นตัวตัดยอแล้วนะเราต้องสู้ให้ได้ท่านกล่าวไว้ว่ามาไม่มีบาเรามีของเราก็ไม่แก่กล้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาเราก็ต้องอดทนต่อสู้บาบาปภาพเพี้ยงเอาคติทำเข้าไปต่อสู้เอาวิริรยธทําเข้าไปต่อสู้ตั้งใจเราตั้งใจปฏิพัฒนนั่งรับตาภาวนาดูลงหายใจเข้าออกครั้งพุทอการพุทธเจ้าไม่มีคําว่าพุโทโธได้สัมปัน ผูอชมดูเราหายใจเขา้าออกแบบแต้ม ล, ลึกรู้อยู่ตลอดแล้วเนาะสิ่งที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีค ว, คความหมายลองนึกรู้ดูจุดนี้แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้และการหายใจเข้าออกที่ก็ให้หายใจเขา้า ย, เข า, า, ยเขายาวๆแล้วก็ขับออกมายาวๆตามรู้อยู่ทุกขณะจนเห็นตามสัตว์จะทำคอนเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกอันนี้ล้วนแล้วแต่หนีจากกฎตยรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ของของเราทุกสิ่งทุกอย่างหนีจากตัวนี้ไปไหมนะอั น, นีจังความไม่เที่ยงมีอยู่หมดทุกข์ังเป็นทุกข์มีอยู่หมดอัคน ต, นะตามไม่ใช่ของของเราทั้งหมด มีสิ่งใดล่ะที่เป็นขอ ง, งของเราแม้แต่รูปร่างทายของยังไม่ใช่ของของเราเลยเรามารับร้ลึรู้ดูตรงนี้ให้เห็นชัดเจนแจม่มแจม้ง แ, แล้วเราก็เข้าใจในสัจธรรมหล่อนะั้นปัญญาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นชามีขึ้นญาณเกิดขึ้ น, า น, า น, นจากการปฏิบัติแล้วเข้าใจแจมแจม้งปัญญาเกิดมากขึ้นแล้ว ก็สามารถเข้าถึงมัตถึงผลทิดถึงนิพพานได้เอียง mm hmm. แต่ว่าต้องใช้เวลาในการปฏิบัติในการกระทําไม่ใช่จะทำเดือนนี้ให้สาเร็จไม่ใช่จะทำปีหน้าสำเร็จต้องใช้ระยะเวลา น, านานในการกระทําไม่ท้อท้อแล้วย่อมปฏิบัติให้ถึงที่สุดได้ตันงเองเพราะฉะนั้น ต่วันนี้อาตมาได้ยกเอารกดับยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปถึงระดับพักอริยบุคคลตามระดับทั้งแล้วก็คิดว่าเห็นพอสมควรเกลาแล้วท้ายที่สุดก็ขอภาพเอาคุณพระรัตตนะไตรคุณพระพุทธเจ้าผู้ตักสู้เองโดยชอบคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ คุณพระสรคผู้ปติบัติดีปฏิบัติชอบภาคเรียคคณขอจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่วความสุขจงมีแต่วความเจริญตลอดการลักนานเธอ